1.13 การปฏิบัติคือการรู้ทันตัวเองวงเล็บเปิด4มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที21เวงเล็บปิดการปฏิบัติไม่มีอะไรมากมันคือการรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจหยุดนิ่งรู้สึก จิตใจหนักๆก็รู้จิตใจเบาๆก็รู้จิตใจเราเป็นอย่างไรก็รู้เล่นๆมันจะทำงานทั้งวันทั้งคืน